โลกของคนที่มีกิเลสก็ต้องใช้กิเลสออกมาเกี่ยวข้องสิ่งต่างๆกิเลสมาจากไหนความมีตัวตนเพราะมีตัวตนมีตัวเขามีตัวเรามันก็ทาเพื่อตัวเราดูซิมันก็วนไปหาธรรมะของพระพุทธเจา้าเปิดเผยออกมาเลยเรื่องแบบนี้คนทั่วไปมันไม่คิด ไกลไปถึงขนาดพระพุทธเจ้าคิดไวหรอกมันก็วนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยมันแก้ปัญหาก็แก้กันอยู่อย่างเงี้ยแต่คนแก้ก็มีกิเลสคนทำความผิดก็มีกิเลสว น, นไปเวียนมาอยู่อะทำเพื่อกิเลสของตัวเองทำเพื่อตัวตนนั่นแหละเพื่อประโยชน์ของตัวเราตัวเขาตัวตนของเขาถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเรายั่งเข้าไปเลยมันมาจากอวิชชา ความไม่รู้ไม่รู้ความจริงไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่รู้เหตุของมันวันนี้มีคนถามบอกว่าท่รรานอาจารย์ครับผมอยากปรึกษาเรื่องธรรมะในจักรวาลเนี่ยมีแต่ความทุกข์หมดเลยใช่ไหมครับเออเขาถามอย่างนี้เลยนะจักรวาลเนี่ยมันเป็นโลกแห่งความทุกข์ใช่ไหมครับมันมีแต่สภาวะทุกข์ใช่ไหมครับ เราบอกใช่เพราะมันมีความเปลี่ยนแปลงทุกอ น, นูของจั ก, กรวาลล้วนแล้วแต่มีความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงคือสภาวะทุกเพราะมันทนอยู่ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงเกิดแล้วก็ดับสลับกันไปอยู่อย่างนี้แต่มันก็มีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีสิ่งเดียวเท่านั้นคือพระนิพพาน ถ้าเข้าถึงพระนิพพานเมื่อไหร่ก็จะมองออกทันทีเลยว่ามีทั้งความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ด้วยกันถ้าถึงพระนิพพานเมื่อไหร่จิตที่ถึงพระนิพพานเนี่ยจะไม่มีอะไรปรุงแต่งได้สภาวะที่มันเปลี่ยนแปลงก็คืออ น, นิจจงมันเปลี่ยนแปลงมีแต่ความเปลี่ยนแปลงนี่คือความจริงมันทนอยู่ไม่ได้ มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันต้องเปลี่ยนแปลงมันต้องเกิดดับนี่คือสภาวะทุกข์มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราบังคับบัญชามันไม่ได้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันนี่คืออนัตตาแล้วก็ถามต่อไปหมอเอสภาวะจิตของเขาเนี่ยบางทีมันก็เข้าไปถึงความไม่เปลี่ยนแปลงแต่แล้วมันก็เปลี่ยนแปลงอีก ก็เลยบอกว่านั่นยังไม่ถึงจุดที่มันสมบูรณ์มันยังไม่ใช่ของแท้มันยังไม่ถึงจุดหมายที่แท้จริงมันยังไม่ถึงจุดหมายสูงสุดแต่ว่ามันไปเห็นบางส่วนแล้วเพียงแต่ว่าพอไปเห็นแล้วเนี่ยความอยากของเราอะ่ะที่อยากจะมันไปถึงตรงนั้นะ่ะมันไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงอยากให้มันคงอยู่ ให้สภา ะ, ะที่คงอยู่นั้นคงอยู่ตลอดไปอันนี้มันเป็นอำนาจของความอยากความต้องการขาดคะแนนไปคิดปรุงไปอยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการเพราะเขาเรียนรู้มากเพราะนั้นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติจนมันถึงเองไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปอยากให้มันถึงหวังคาดการให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เพราะถ้าหากว่ามันยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่แท้จริงอะ่ะมันไม่ชัดเจนมันเหมือนกับว่าเออพอคาดคะเนได้อยู่อะ่ะเออมันสงบนะมันระ ง, งับไปมันเหมือนไม่มีอะไรปรุงแต่งแต่มันได้ระดับหนึ่งเสร็จแล้วพอมีอะไรมากระทบมันก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรุงแต่งอยู่ในจิตใจเนี่ย ก็แสดงว่าเขาก็ปฏิบัติใช้ได้คำถามของเขาเนี่ยมันจริงถามลึกซึ้งทีเดียวเนี่ยเราเกี่ยวข้องกับคนเขาไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยบุญบาปนี่เขายังไม่กลัวไม่รู้เลยนะมีแต่วความอยากความต้องการเท่านั้นที่นำหน้าเขา เป็นเหมือนกับเครื่องนําทางชีวิตของเขามันก็ต้องเป็นไปอย่างนี้แหละทีนี้เราอจะเกี่ยวข้องกับเขาเกี่ยวข้องยังไงใจมันก็อยากช่วยคนที่หลงทางก็อยากให้เนี่ยรู้ทางเสียแต่มันก็ยากเพราะมันหลงจนเห็นว่า ทางที่เขากำลังเดินอยู่มันถูกทางเสียแล้วมันถูกแล้วเขาไม่เปลี่ยนแปลงแล้วนี่มันก็ต้องปล่อยเนี่ยสิการที่เกี่ยวข้องก็ต้องมารักษาใจเราเจริงว่าเราก็อยู่บนพื้นฐานความถูกต้องเท่านั้นเนี่ยมันก็จะมีสภาพสภาวะบางสิ่งบางอย่างที่เราทําไม่ได้เราก็จะไม่ทําอันไหนทาได้ มันถูกต้องตามธรรมะมันก็ทำได้กิเลตมันมาจากไหนก็มาจากความมีตัวตนตัวตนมันมาจากไหนเพราะความหลงไม่รู้จักความเป็นจริงหลงว่ามันมีตัวเรามีของเราจริงจริงมันเป็นเราไหมถ้าพูดถึงความจริงนะสภาวะจริงๆเลยเนี่ยความคิดของเราความรู้สึกของเราที่มันเป็นเราเป็นเราอยู่ เช่นเราอยากอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันก็เป็นความอยากมันมาจากความอยากมันไม่ใช่ตัวเราบางทีไม่ใช่เราไม่ใช่ความเป็นจริงซ้ํามันเป็นความอยากแต่ในความอยากนั้นอนะ่ะบางทีมันก็มีเหตุผลรองรับอยู่เช่นมันหิวอย่างเงี้ยมันก็มีความหิวขึ้นมาแล้วมันก็บอกให้รู้ว่าเนี่ยต้องการเกิดเป็นความอยากได้อาหารเข้าไป อยากเติมสิ่งที่ขาดแคลนเข้าไปอันนี้มันมีเหตุผลรองรับความอยากอย่างนี้มันก็เป็นความจําเป็นมันไม่ใช่กิเลสแล้วมันเป็นความจําเป็นไปมันก็จะมีอย่างนี้อยู่ความอยากที่มันมีความจําเป็นความอยากที่มันมีเหตุผลรองรับมันจึงต้องมีปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย แต่ความอยากที่มันไม่มีเหตุผลรลองรับอ่ะมันเป็นความอยากความดิ้นรนของจิตความต้องการเพื่อตัวเราเพื่อของเราบางทีมันก็ว่าเพื่อลูกเพื่อครอบครัวเพื่อนั่นเพื่อนี่เนี่ยเนื่องด้วยเราก็มีด้วยไม่เอาเพื่อเราก็เอาเพื่อคนที่เกี่ยวข้องกับเรา เป็นพวกของเราเป็นญาติของเราเป็นลูกของเราเป็นพี่เป็นน้องของเราสามีของเราภรรยาของเราลุงป้าน้าอาของเราเนี่ยมันมีของเราอยู่ในนั้นจริงๆแล้วมันเอาก็ได้แต่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมสมเหตุสมผลไหมมีเหตุผลรองรับไหมควรไม่ควรถูกต้องชอบทำไหมเนี่ย มันก็ต้องมีธรรมเข้าไปควบคู่กันด้วยถ้ามันมีธรรมขึ้นมาไม่ใช่เอาเพื่อตัวเราเลยนะเอาเพราะมันมีเหตุผลมันมีความสมควรเอาด้วยปัญญานะไม่ได้เอาด้วยความหลงแล้วเอาด้วยความหลงนี่แหมมันจะดิ้นรนมากเลยนะปรุงแต่งขึ้นในจิตของเราเนี่ยบีบคั้นจิตใจของเราเนี่ยมันไม่รู้เลยว่า ร่างกายเนี่ยรูปเนี่ยมันก็อาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันเวทนาทางกายเจ็บปวดมืนชาคันอะไรก็แล้วแต่เกิดก็ดับไปเหมือนกันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเวทนาทางจิตสุขทุกข์เฉยๆอยู่ในจิตมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นเวทนา นี่เรียกว่าเวทนาขันอันหนึ่งรูปขันหนึ่งเวทนาขันสัญญาขันเนี่ยสังขารละขันวิญญาณขันไม่มีอะไรเลยเป็นเราจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้เราหยั่งเขาไว้ไม่เห็นมันนะถ้าใครเห็นบ้างแล้วนี่ก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นขันห้าที่มันทำงานแล้วก็เกิดดับไปแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยมันจริงเป็นเราไม่ได้ แม้แต่จิตใจละเอียดขนาดไหนก็ช่างพระพุทธเจ้าเข้าถึงคนทั้งหลายเห็นว่าจิตใจเป็นเรานะก็มันคิดได้มันสั่งการนู้นนี้ได้มันบงการมันกากับการทุกอย่างมันก็เลยเหมือนจิตเป็นเราอะเออรร่างกายนี่ว่าไม่ใช่เรานี่พอยอมรับได้นะก็คนตายมันก็เยอะแยะเลยนะคนใกล้ชิดเราก็ตายก็มีนะ สัตว์อื่นตายก็เยอะแยะเอาคนตายนี่แหละเอามันประเภทเดียวกันมันพอที่จะสื่อเข้ามาหากันได้บางทีคนตายแทนนี้จะสื่อเข้ามาสอนใจตัวเองเป็นทุกข์กับคนตายอีกนะนี่เห็นไหมความหลงของเราอ่ะให้มันเห็นชัดๆนะมันทุกข์เพราะความหลงนะความโง่ความหลง แทนที่จะน้อมเขามาโอ้ยสุดท้ายเราก็ต้องตายเหมือนกันเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่ต้องเศร้าสศกเสียใจหรอกมันก็เป็นธรรมะถ้ามันคิดได้อย่างนี้นะถ้ามันคิดไม่ได้โอ้โหไม่รู้โง่ซ้อนโง่หลงขนาดยอมรับความจริงไม่ได้เลยอะบางคนนี้ลำพึงลำพันเป็นปีๆนะ มีพระเจ้าเป็นดินพระองค์หนึ่งรักมาเหสีมากมเหสีสวรรคตโอให้เก็บศพไว้ใต้เตียงนอนน่ะเอาใส่ลงแก้วไว้กลางวันมาก็ไปอยู่กับข้าราชบริพารบ้างทำน่นทำนี่ว่าราชการบ้างพอกลางคืนมาเข้าไปในห้องร้องไห้คิดถึงมเหสีเป็นปีเลยนะทุกคืนด้วย นี่คือความโง่ความหลงคือรักมากก็อยากให้ฟื้นอ่ะไม่อยากให้ตายไม่อยากให้ พ, พลากจากไปนี่มันฝืนความจริงไยความคิดอ่ะความจริงมันเป็นอย่างหนึ่งแต่ความคิดอยากให้มันเป็นอย่างหนึ่งพอไม่เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการบีบค้านจิตใจร้องห่มร้องไห้จนวันหนึ่งอ่ะผู้เจาเสด็จไป ดีใจว่าวันนี้จะได้ถามปัญหาพระพุทธเจ้าค้างคาจิตใจมานานแล้วอยากรู้เหลือเกินมาเหสีเนี่ยสวรรคตนกแล้วไปอยู่ที่ไหนจะคิดถึงเราบ้างไหมเนี่ยอยากรู้ก็เยียกรู้อย่างนี้นะเพราะเราไม่แปลกอะไรนะพอคนตายแล้วบางทีก็เอาไปเข้าทรงบ้างไปให้เขานั่งทางในดูบ้างว่าไปเกิดอยู่ไหนคนทรงก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็ว่ า, าไป เนี่ยเป็นเครื่องทำหมากินไปก็มีได้ข่าวนะเราก็ไม่รู้ดูจริงไม่จริงมรงมีคนมาเล่าให้ฟังลวงใจเสียมาไปไปดูเหมือนกันนะว่าอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมาต้องการอะไรกับบางก็ไม่รู้อโอ้โหเขาไม่รู้นะผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าจิตมันไปถึงความหลุดพ้นแล้วเนี่ยมันไม่มาอีกหรอกที่พระเจ้าไม่พูดอย่างนี้พระเจ้าบอกว่าเนี่ย ว่าพลนทุกแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเทียนจุดเนี่ยจุดเทียนปั๊บเนี่ยถ้าขี้เทียนหมดไส้เทียนหมดไฟไปไหนน่ะคือจิตนั่นแหละมันไปไหนมันก็ไปสู่ฐาธรรมชาติของมันมันจะไปนู่นไปนี่ไม่ได้ไฟไปไหนเทียนดับปั๊บไฟไปไหนนั้นแหละจิตคนที่บรรลุนิพพานไปอย่างนั้นมันจะไม่มาถามกันหรอกว่าไปไหนนี่พระราชาก็ เกิดความสงสัยหลังจากถวายพยธทานอะไรเรียบร้อยแล้วก็ะทูลถามพระพุทธเจา้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพุทธเจ้าเนี่ยรักมหิสีมากมหสีสวรรคตพระ อ, องค์พอจะทราบได้ไหมว่ามหสีของข้าพุทธเจ้าไปอยู่ที่ไหนแล้วคิดถึงข้าพระพุทธเจ้าบ้างไหมเนี่ยมันก็ถามให้เพราะความอยากความรักใครความคิดถึงเนี่ย มันก็อยากรู้แค่นั้นเองนะมันอยากรู้ว่าคิดถึงตัวเองไหมดูที่ตัวตนเนี่ยตายไปแล้วก็อยากรู้ว่าคิดถึงตัวเองบ้างไหมไปอยู่ที่ไหนสบายไหมต้องการอะไรบ้างไหมเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นความรุ่มหลงคนตายก็ไปตามกรรมสิถ้าว่าเขายังไม่บรรลุนิพพานก็เรามีหน้าที่ทำบุญอุทิศบุญไปให้ตามที่พระเจ้าบอกก็จบแล้ว ไปไหนมาไหนเอากรรมของคนทางของพระเจ้าก็บอกไว้หมดแล้วคิดถึงก็ทําบุญอยู่ที่บุญให้เขาได้รับไม่ได้รับเราทําแล้วบุญมันก็เกิดกับเราอยู่แล้วนีมันเป็นพ้นดีเก่ตัวเราที่พระเจ้าก็บอกเธออยากรู้เหรอเนี่ยหมาบูพิษอยากทราบเหรอพระเจ้าข่าพระเจ้ากามีอนุภาพเนี่ยอธิษฐานจิตนิดเดียวนั้นแหละ เมนกุจีตัวเมียเดินนําหน้าตัวผู้เดินตามหลังกึ๊บกึ๊บกึ๊บเข้ามาเลยนะพระราชาก็งงๆนะบอกเอ๊เมียมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทําไมเอาสัตว์มาเดินในนี้อ่ามาถึงก็หยุดผู้ยากระถามเลยนะเอาเธอเป็นใครอ่ะฮชาติที่แล้วเธอเป็นใครถามเมนกุจีตัวเมียนะอ๋อเป็นมาเหสีของพ่อเล้ยงแผ่นดินพระองค์เนี้ย แล้วใครตามมานี่หัวใหม้ฉันแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าพระราชาเนี่ยคิดถึงมาเหศีทุกคืนเลยนะร้องไห้ถึงทุกคืนเลยอะ่ะเธอเน่ะคิดถึงพระราชาบ้างไหมโอ้ยไม่เคยเลยดิฉันมีความสุขเนี่ยกับหัวไม้เนี่ยทุกคืนเลยทุกคืนทุกวันเลยอาหารการกินก็เยอะแยะไม่ต้องทําเอง ถึงเวลาก็ไปหาอยู่หากินกันแล้วก็มีความสุขกันเนี่ยไม่เคยคิดถึงพระราชาเลยไม่อยู่ในความรู้สึกนะเขาบอกพระราชาโมโหเลยนะโมโหเลยเอาศพไปทิ้งเดี๋ยวนี้แต่ก่อนคิดไม่ได้นะพอแมงกุจีว่าโอ้ยเนี่ยฉันจะไปคิดถึงทําไมฉันนั้มีความสุขกับ แ, แฟนใหม่ของฉันเนี่ยทุกวันทุกคืนเลย อาหารการกินก็ไม่ต้องไปทาเนี่ยถึงเวลาก็ไปหากินได้เลยสาเร็จเรียบร้อยนี่คือความหลงความยึดความติดความข้องตายไปแล้วก็ไม่อยากอะไรพัดพลาดไม่อยากจากไปแล้วก็อยากรู้ว่าเขาอยู่ไหนคิดถึงตัวเองบ้างไหมมีอำนาจของความหลงนะตัวตนมันเป็นอย่างนี้ถ้ามีปัญญาปับ๊บคนเราเนี่ย ร่างกายก็ยืมใช้ชั่วคราวเท่านั้นเนี่ยถ้าจิตใจเนี่ยมันยังไม่พ้นทุกข์มันก็เปลี่ยนร่างเฉยๆเนี่ยจิตเราก็ไปตามอำนาจของกรรมถ้ากรรมดีให้ผลก็ไปดีเป็นมนุษย์บ้างเทวดาบ้างพรมบ้างนะถ้าทำกรรมไม่ดีกรรมไม่ดีให้ผลก็เป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเพื่ อ, อบา ย, ยภูมิเนียมันก็มีภูมิมีที่จะไปะก็ไม่สงสัยสิ ใครจะไปไหนก็ไปตามกรรมเราไปบังคับบัญชาไม่ได้เราอยากให้มันไปตามอำนาจของเราไม่ได้นี่ด้านร่างกายเนี่ยมันเห็นชัดอย่างเงี้ยถ้าเข้าใจอย่างนี้วางได้สิเอ้ยเมื่อไหรเนี่ยเราจะตายเนี่ยเอาตอนนี้มันก็เตือนแล้วเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เป็นนั่นเป็นนี่นร่างกายนะแล้วก็เจ็บปวดก็เรียกว่าวทนาเวทนาทางกายมีแต่วทนาทางกายเจ็บปวดแล้วมัน กระเทือนเข้าไปถึงจิตที่นี่เกิดความกังวลขึ้นมางุนหงิดรำคาญขึ้นมาก็เป็นเวรนาทางจิตทุกทางกายกัทุกทางจิตด้วยแต่ถ้าจิตมันยอมรับได้อ้าวมันทุกข์ร่างกายโอ้ธรรมดาเนะาะธาตุขันเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์ใจใจยอมรับได้ควรทํายังไงก็ทําเนี่ยไม่ใช่ว่าเออมันไม่ใช่ของเราแล้วไม่ต้องรักษาไม่ต้องไปทําอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นมันยังมีความเหมาะสมอยู่นะสมควรดูแลรักษาก็ดูแลรักษาไป มีหยูกยาอะไรพอทาพอรับประทานพอหายก็หายมันไม่หายก็อยอมรับสภาพอย่างนี้ใจมันก็ไม่เป็นทุกข์ใจก็สบายอยู่นี่ก็เห็นว่าเวทนานอยู่ที่ร่างกายเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่มันก็วางไปจางไปอย่างเรานั่งสมาธิอยู่ก็เหมือนกันมันมาอย่างเงี้ยเออถ้าหาว่าใครมีปัญญาก็อา้าว เวทนามันก็อยู่ที่ร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่เราเวทนาขันกองแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้เองถ้าปัญญามันมีกําลังสติสมาธิปัญญาสัทธาความเพียรมีกําลังกับเวทนากล้าขนาดไหนมันก็วางได้มันมีพลังเพียงพอเอิญไม่ใช่ของเรานี่คือกําลังมันถึงกันมันก็วางกันได้ถ้ามันยังไม่ถึงไปถึงจุดหนึ่งมันก็วางไม่ได้หรือถึงถึงแล้วมันมีขีดจํากัดเหมือนกันนะ ไปถึงจุดหนึ่งมันก็ไม่ไหวมือนกันอนร่างกายมีร่างกายมันเจ็บมันปวดเรื่องอะไรจะทนเจ็บทนปวดทนทุกข์ทรมานพอเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะแต่ในช่วงที่เราปฏิบัติอยู่นี้เราต้องการทดสอบทดลองต้องการกําลังสติปัญญาของเราต้องการวิปัสสนาปัญญาให้มันเห็นความจริงอย่างนี้มันก็พร้อมที่จะอดทนพร้อมจะต่อสู้พร้อมจะดูมันแต่มันก็มี เงื่อนไขยอยู่บางทีร่างกายเราเนี่ยมันวิกฤวิกาลมากๆถ้าหากว่าเราปล่อยให้มันบีบคั้นเรามากๆบางทีมันก็เ อ, อวิกฤวิกาลได้เนี่ยเราก็ต้องรู้ความเหมาะสมความพอดีเหมือนกันนี่กายเวทนาทีนี่จิตที่นี่เวทน า, ทาจิตเนี่ยก็พอเห็นละเออสุดท้ายมันวางหมดเลยนะไม่ว่าความนึกคิดปรุงแต่งเวทนาทางนู้นทั้งนี้มันก็เข้าไปหาจิตเนี่ย บางทีมันก็ดูอยู่เฉยๆนะมันวางทุกอย่างแล้วมันก็เข้ามาดูจิตทีนี้จิตเนี่ยมันก็จะมีอาการของจิตอยู่นะบางทีมันก็ทำท่ามีอะไรวับเข้ามาบางทีเข้ามาทางกายก็มีนะเดี๋ยวมันก็เผลอไปคิดไปเนี่ยพอมันรู้ตัวปั๊บมันจะเข้ามาหาจิตอีกทีหนึง่งเนี่ยมันจะไม่ไปทางไหนบางทีร่างกายมันมีผลด้วยนะ อะไรวุบเข้ามาเนี่ยกระทบร่างกายปั๊บเนี่ยจิตของเรามันเร็วอะ่ะพอมีอะไรกระเทือนเข้ามาโดยเฉพาะระบบประสาทสมองอะไรเนี่ยเราคุมยังไงก็คุมไม่อยู่สติดีขนาดไหนก็เอาไม่อยู่นะมันมันลอยไปแต่พอไอ้ตัวนั้นหมดฤทธิ์มันแล้วมันจะวับมหาจิตทันทีเลยเนี่ยนี่ผู้รู้เนี่ยนี่คือมันรู้มันรู้งานแล้วไอ้ตัวนั้นมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่ง ตัวที่ทำให้เผลอตัว ท, ทำให้มันหลุดไปโดยที่เราคุมไม่อยู่เนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึง่งหากว่าเราเพิ่มกำลังสติตั้งคอสังเกตเออมันไปได้ยังไงตอนจะไปมันเป็นยังไงทีนี้สติมันก็จะมีกำลังมากขึ้นสัมปชัญญะมีกำลังสมาธิมีกำลังปัญญามีกำลังความเพียรมีกำลังมันสอดส่องกันอยู่ฮะบางทีระบบร่างกายก็มีผลทาให้จิตเรามันเพลินไปได้ พอรู้เหตุมันมันก็รู้แล้วเป็นเรื่องร่างกายมันก็มาคุมจิตไว้แต่ถ้ายังไม่เห็นเหตุมันเนะบางทีมันก็ยังหลุดไปเผลอไปแต่ถ้ามันวางอย่างอื่นหมดแล้วเมันเหลือแต่จิตเนี่ยมันก็มีแต่อาการยิบเยบอยู่ในจิตเผลออยู่ในจิตเผลอแล้วก็กลับมาเร็วเผลอแล้วก็กลับมาหาจิตใหม่ ทีนี้เราก็ต้องพยายามที่จะอยู่กับจิตนั้นแหละมันเป็นาธาตุรู้ไอ้จิตเนี่ยมันยังรู้อยู่ที่รู้ผู้รู้กับสิ่งถูกรู้เนี่ยมันจะไม่มีอย่างอื่นแล้วนะที่นี่ตัวเราไม่มีแล้วมีแต่ผู้รู้กับสิ่งถูกรู้ทํายังไงผู้รู้เนี่ยมันสังเกตมันควบคุมมันดูมันจดจ่ออยู่ที่ผู้ถูกรู้อันนี้คือจิตเนี่ยไม่มันเลยลอยไปทางไหน มันมีกําลังให้มันต่อเนื่องโหบางทีมันเหมือนกับไอ้ผู้รู้กับสิ่งถูกรู้มันไปเป็นอันเดียวกันก็มีนะหรือบางทีมันเหมือนมันใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปอะไรอย่างนั้นนะเนี่ยเหมือนที่แรกมันห่างๆกันต่อมามันจดจ่อเข้าไปจ่อเข้าไปจ่อเข้าไปเหมือนมันใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปอะไรอย่างนั้นนะมันก็เป็นความรู้สึกของผู้ปฏิบัตินี่มันอาการของจิตที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับว่าผู้รู้กับสิ่งถูกรู้มันจ่อจอกันก็ผู้ปฏิบัติมันรู้เนี่ย มันเป็นขึ้นมามันเป็นอยู่ในอาการของจิตมันคือกําลังของสมาธินั่นแหละพอไปถึงจุดที่มันสมบูรณ์นมันลงตัวของมันเนี่ยมันก็จะปล่อยวางจิตได้มันไม่ใช่ของเราส่วนสภาวะที่มันปล่อยวางมันเป็นยังไงอันนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกบางคนก็พูดไปอย่างหนึ่งบางคนก็ระเบิดบางคนก็สลัดออกเนี่ยคือมันมีอาการของมันอยู่ข้างใน คือการที่มันวางจิตทิ้งจิตความรู้สึกว่าเป็นเราหายหมดเนี่ยว่างเปล่าเลยถ้าว่ามันยังไม่ถึงเราก็ต้องปฏิบัติไปก็มีสติให้รู้อยู่กับปัจจุบันอย่างนี้แหละก็ขึ้นอยู่กับว่าออจิตของผู้ปฏิบัติมีกำลังขนาดไหนถ้าว่ายังใหม่อยู่ออมันยังมีเรื่องมีราว ที่มันมีผลต่อจิตเนี่ยจิตมันก็จะแวบไปไหลไปเพลินไปก็ต้องพยายามคุมไว้อย่างชาวบ้านที่เข้ามาวันนี้ถามบอกว่าเออเนี่ยภาวนากันไหมเนี่ยมีสติรักษาจิตตลอดไหมทำอยู่แต่มันไม่ค่อยอยู่เขาบอกงั้นนะบางทีกว่าจะอยู่ก็นานนี่คือพยายามเจริญสตินะเอาอยัางทําการทำงานอยู่ อยู่กับบ้านกับเรือนเกี่ยวข้องกับการกับงานเกี่ยวข้องกับครอบกับครัวเขาก็ยังมีช่องทางที่จะปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าเออเราก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็บอกให้พยายามอย่างนี้แหละต่อไปนะคุณย่า ก, ก็สอนให้มีสตินี่แหละทันบ้างไม่ทันบ้างไม่เป็นไรพยายามต่อไปนะให้มันมากขึ้นนะถ้่มันอยู่แล้ว ก็ประคองมันไว้ก่อนนี่คือต้องการให้ตมที่มีกําลังให้มันชํานิชํานาญง่ายๆเพราะมันสงบแล้วมันตั้งมั่นแล้วเนี่แต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยมันก็จะมีสภาวะธรรมเกิดขึ้นนะบางคนดูลมเนี่ยแทนที่จะเป็นลมหายใจมันจะเป็นลมเป็นธาตุลมไปเลยนะเหมือนไม่ใช่ลมหายใจมันจะเคลื่อนไหวมันจะทําให้เห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยพวกที่ดูลม บางทีพวกที่ดูล่างกายผมก็เล็บฟันหนังอะไรเนี่ยมันก็เปื่อยเน่าผุพังไปบางคนเพ่งกระดูกดูไปดูมากระดูกก็ดับสลายไปเดี๋ยวก็กลับมาใหม่มอีกดูใหม่อีกสลายใหม่ ก, กลับไปกลับมาอีกมันจะมีความเปลี่ยนแปลงอะแล้วแต่มันจะไม่เหมือนกันนะบางคนก็เป็นธาตุธาตุลมบางคนธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟแล้วแต่แสดงความเปลี่ยนแปลงให้เห็น อาการเวทนาก็เหมือนกันก็มีความเปลี่ยนแปลงให้เห็นเกิดดับให้เห็นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราให้เห็นนี่เรียกวิญญาณวิปาาัสสนาญาณพวกกําลังมันพอแล้วทีนี้อริยมรรคมันสมบูรณ์แล้วมันก็จะประหารกิเลสได้ครั้งที่หนึ่งก็เป็นพระโสดาวันบุคคลครั้งที่สองพระสกิทาคามีครั้งที่สามพระนาคามี หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเรื่องร่างกายเรื่องอะไรมันจะลดลงความสนใจในเรื่องร่างกายจะลดลงสนใจในเวทนาสัญญาสังขารอะไรลดลงมันจะมาสนใจจิตเนี่ยเหมือนกับอารมณ์ต่างๆมันเริ่มขาดออกไปจากจิตเราคือมันลดลงไปลดไปแล้วก็เข้าหาจิตต่อมาอารมณ์เี่แทบไม่มีมันก็จะอยู่กับความว่างเนี่ยมันจะเจาเข้าไปจาะเข้าไป แต่ในนั้นมันก็มีแหละเพราะว่าเรายังมีร่างกายอยู่มีเหตุมีปัจจัยของเราอยู่มันก็ยังมีอะไรอยู่ในนั้นต้องรอเวลาที่มันสมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อไหร่มันถึงจะลงตัวทหารกิเลได้หมดจดเนี่ยเป็นพระราหานได้พอถึงขั้นพาะนาคามีละอรหัตตมักเนี่ยพยายามเดินมักแล้วนี่ไอเรื่องรูปเรื่องอะไรมันจะลดลงตายง่าย สุดท้ายไม่สนใจเลยนะร่างกายเนี่ยโอ้มันอยู่มันไปอย่างนั้นเองอาศัยมันอย่างนั้นนะจิตมันสบายเจ็บปวดอะไรยังไงก็ไม่กังวลอะ่ะรักษาได้รักษาไปรักษาไม่ได้ก็แล้วไปตายแล้วก็แล้วไปเนี่ยมันไม่ยึดแต่ก็รู้ว่ายังอยู่ก็อยากให้หมดจดละ่ะอยากให้หมดงานหมดการไม่อยากให้มีอะไรปรุงแต่งจิตพอรู้ว่าถ้ามีอะไรปรุงแต่งจิตอยู่มันจะเป็นทุกข์นี่แหละคือปัญญาของบุตเจา้า คือมันมีปัญญาถึงที่สุดแล้วไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราอีกต่อไปร่างกายก็เป็นธรรมชาติจิตใจก็เป็นธรรมชาติเนี่ยพล่อยวางได้เท่านั้นแหละความเป็นตัวเราเป็นของเราไม่มีที่สมมติว่าเป็นเรานี้ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึาาน้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยสภาวะที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยคือสภาวะทุกข์ที่เราต้องมารู้ความจริงตรงเนี้ย มันจึงมาปฏิบัติเพื่อหเห็นความจริงว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่จากไปทันทีว่าทุกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้เป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้แล้วก็กําหนดได้รู้แล้วเนี่ยเวลามันจบก็คือรู้กันแล้วเหตุแห่งทุกคือตรงไหนอะอ๋ออยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการพอเรามีรู้ความจริงตรงนั้นเนี่ย นี่มันก็เลยเป็นเหตุแห่งทุกข์ขึ้นมาต้องมารู้เหมือนกันรู้แล้วมันจะละของมันไอ้เหตุแห่งทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรละดูเข้าไปแล้วมันมีปัญญามังก็ละของมันในละแล้วนะนี่โลดความดับทุกข์มันอยู่ที่ไหนอะนี่แหละพอทุกข์มันเกิดแล้วเราเห็นว่ามันเกิดดับมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ย ที่แรกทุกน้อยมันดับไปสอดคล้องกับความจริงอะความไม่มีทุกข์ก็คือพานิพานนิโรธจริงๆคือนิพานะแต่เรายังไม่ถึงอ่ะแต่เราก็เห็นนี้เราชั่วคราวไปก่อนพอมันทุกมาเออมันดับไปเนี่ยแต่ทางขั้นนิโรธนิโรธชั่วขณะวิคัมพะนิโรธที่มันยาวนานขึ้นมันก็ได้เห็นในจิตเรานี่นะแต่มันไม่ใช่นิโรธที่แท้จริงนะแต่นิโรธที่แท้จริงก็คือพานิพาน แต่มันสอดคล้องมันดับไปเออเห็นทุกมันดับไปจากใจเราไอ้ความดับตรงนี้เรียกนิโรธโลทะนี่ก็หมายเกียวเห็นความทุกนิโลทะนิเนี่ยก็คือไม่ไม่มีทุกแล้วหนทางอ่ะทางที่จะทำให้ความทุกมันดับอ่ะคืออริยมรรคมีองค์แปดคือที่เรากำลังปฏิบัติอยู่นี้ละ่ะเป็นทางไม่จะไปหาทางอื่นนะ จะไปบอกคนนั้นคนนี้ก็ไม่ได้ให้คนนั้นคนนี้ช่วยก็ไม่ได้ปรึกษาหาลือได้แล้วเอามาปฏิบัติแล้วมันก็ค่อยๆรู้เข้าไปแจ้งเข้าไปลึกซึ้งเข้าไปแล้วมันคลายออกคลายออกคลายออกนี้มันคลายออกก็เพราะมันมีความรู้คือวิชาจริงว่าวิชาเนี่ยกับอวิชาเนี่ยอวิชาไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปช่วงไหนที่มีวิชาเข้าไป มันก็รู้ความจริงขึ้นมันก็เบาคลายออกคลายออกแต่ช่วงไหนที่วิชาไม่เกิดเอวิชาเข้าไปเผล อ, อ, อโลกดเผยโลภเผอหลงไปเลยเนี่ยหนักขึ้นมาเลยเนมันก็ปวดหัวขึ้นมาก็มีนะใจรุ่มร้อนขึ้นมาเนี่อาวิชามันเข้าไปแทรกเขาเรียกอวิชาธาตุแต่ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติอีก วิชาเข้าไปแทนที่นี่วิช า, าธาตุเข้าไปแทนเอาวิชาเข้าไม่ได้โอ้บางทีเหมือนก็นจะหลุดจะพ้นไปเลยนะเคยตอนปฏิบัติอยู่เนี่ยบางทีโอ้โหรู้ว่าเราจะพ้นแล้วเนี่ยเฮ้ยถ้ามันสงสัยอย่างนี้ไม่ใช่เอาทำกันต่อไปออจนเออมันสรุปของมันเองมันเป็นของมันเองเนี่ยติ้นสรุปได้ ซาพระขวานโตโนมแด่พระผู้มีเพื่อพเจ้าพระองค์นั้นอราโตซึ่งเป็นผู้ใกล้ชักกิเลสสำ ม, มาสัมพุทธาจารย์ระสรู้ชกได้โดยพระองค์เอง